ว่าในพรรษาที่จะถึงนี่เราควรจะทำตัวอะไรทำตัวอย่างไรอย่างนี้เป็นการวางแผนเพื่อฆ่ากิเลสเขาจะทำความชั่วเขาก็ยังมีการวางแผนเราจะสร้างกุญงามความดีจะชำระอ ก, อ ก, ก, กิเลสออกจากจิตใจพวกเราก็ควรจะมีแผน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 จึงสูงยอเป็นลําดับขึ้นมาแต่ถ้าว่าปล่อยตามกระแสความชั่วใจอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะพูดยังไงก็พูดอยากจะคิดยังไงก็คิดโดยจะไม่มีการฝืนจิตฝืนใจของตนเองแล้วจะเป็นคนดีได้อย่างไรแต่ถ้าว่าไม่มีการฝึกการหัดดัดนิสัยจะเป็นคนดีไม่ได้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 ในวันหนึ่งเราคิดไปในทางไหนเราปล่อยจิตปล่อยใจไปแดนทางไหนบ้างทางว่าเราปล่อยใจไปไม่ได้สำเรนียกสำนึกปล่อยไปตามอัธาใจตามอาเภอใจไม่ได้นึกถึงคุนงามความดีไม่ได้ขัดเกลารับปรปุงแก้ไขกายใจของตัวเองอันนั้นแปลว่าความชั่วของเรามากกว่าความดี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 ถึงเป็นระดับเบื้องต้นระดับกลางระดับสูงสดุดแต่ความมุ่งหมายของเราก็คือต้องการความสูงสุดของธรรมเป็นอรยิยบุคคลขั้นสูงสุดเพราะนั้นการปรารถนาหรือาการต้องการเราต้องทำปรารถนาให้สูงเอาไว้ให้เรื่องต่ำไม่มีปัญหาหรอกแต่เรื่องสูงเอาไวนะ้เนี่ยคาดสูงไว้เพราะความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจของเราจะได้สูงไปด้วย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 ผลที่สุดก็เหมือนกับเป็นลักษณะคนหลักลอยไม้ปักขีเลนอย่างนั้นนะโยกไปมาโยกไปโยกมาตามเรื่องหากดหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะนั้นทั้งสองอย่างนี้พวกเราควรจะทำยังไงควรจะเอาอยัางไงอันหนึ่งคือกดเกณฑ์มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงอันหนึ่งแปลว่าตามกระแสไปยังไงก็ได้แต่แติดตามไม่จริงก็ควรจะมีความมุ่งมั่นสูงดีกว่า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 คงจะไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นดินคงพระเจ้ไม่ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิคงจะไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าเป็นพระอรหันต์นั้นพวกเราให้มุ่งหวังเอาไว้มุ่งมั่นเอาไว้แต่ต่างพ่าพวกเราต้องอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติบํบาเพ็ญอย่างเข้มงวดกวดขันมรรคผลนิพพานก็รอพวกเราอยู่อย่างพระอริยสาวกเจ้าทั้งหลาย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 ไม่ได้สนใจทำมาหาเลี้ยงชีพคนนั้นไปว่าจนตั้งแต่วันเกิดจนจนถึงวันตายแต่ถ้าว่าตัวเองรู้แล้วว่าจะไม่เป็นเศรษฐีแต่ว่ามันขยันอดทนอย่างน้อยพอประทางชีวิตได้รับความพรมเย็นเป็นจุขและขึ้นมาได้เพราะมำความมั่นขยนันการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆนั่นแหละถึงจะ ไม่พ้นทุกในวัตตาสงสารแต่ว่าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่คุณธรรมก็จะต้องไหลเข้าสู่จิตใจของพวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นถุกไม่มากก็ต้องน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไวา้นะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอน อย่าประมาทนะชีวิตของเราเนี่ยพวกเราอายุมาถึงขนาดนี้กี่ปีแล้วจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครรับประกันได้ชีวิตของพวกเราเหมือนกับเมล็ดกาหยุนที่ปลายเข็มทิศแหลมๆนั่นแหะไม่รู้จะตกวันไหนแต่ที่มันอยู่มันก็อยู่ได้แต่ที่มันจะลงมันจะลงเวลาไหนไม่มีใครรับประกันได้เพราะนั้นอย่า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 ครูบาอาจารย์พูด้ด้วาได้มานั่งภาวนาในที่ชุมชนอย่างนี้ได้มานั่งปฏิบัติอย่างนี้อย่างน้อยพวกเราก็จะได้รู้ได้เข้าใจในภาคปฏิบัติได้ศึกษาไดภาวนาการภาวนาครูบาอาจารย์ท่านก่อนในแนะนําสั่งสอนมานานต่อนานมากต่อมาก ปริกรรมเบื้องต้นนั้นคืออะไรท่านก็ไม่หนีจากหลักเหมือนกันนั่นแหะแต่พวกเราก็หาว่าการพูดซ้ำซากบ้างพูดบ่อยๆบ้บบางแต่ตามไม่จริงพวกเราการกระทําของพวกเรานั้นเป็นยังไงได้ไหมที่ท่านได้พูดไว้แล้วน่ะที่ซ้ำซากน่ะเราประพฤติปฏิบัติได้ไหมการกระทําของเราไปอย่างที่ท่านได้บอกกล่าวไว้ไหม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 ให้มีสติในลมหายใจเข้าให้มีสติในลมหายใจออกหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทพิจารณากำหนดดูให้มีสติในลมหายใจเข้าในหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าที่หลวงปู่มัน่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนผูกศิษย์ลูกหาของท่านให้ภาวนาพุทธโธเนอะเวลาหายใจเข้าพุทธ เวลาหายใจออกโทรให้มีสติสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกระลึกได้สัมปชัญญะญญคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาขณะที่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นแต่ถ้าเมื่อขาดสติเมื่อไรแปลว่าเราไม่ได้ภาวนาเรานั่งอยู่เฉยๆเรานั่งแบบจุกปุกอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ข้าว่าเรามีสมติอยู่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 กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นเราก็พิจารณาเมื่อจิตสงบเข้าเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วให้พิจารณาพิจารณานั่นก็คือนึกคิดเออเดานึกคิดให้พิจารณาดูร่างกายของเราร่างกายของเรามีอะไรบ้างอย่างเห็นคนตายอย่างเนี้ยเราไปมาติกาบางสกุลคนตายอย่างเนี้ยอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายเหมือนเขาแน่นนะ บอกใจตัวเองบอกความรู้สึกของตัวเองบอกใจของตัวเองนั่นอ่ะอีกสักวันหนึ่งค้าจะต้องโดนเขาเผาจนีงนะเพราะนั้นแกจะประมาทนะแกต้องตายแน่ๆ น, นะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะต้องหามใส่หีบใส่ลงมาเผาอย่างนี้แหละอะมาจุดไฟเผาอย่างนี้นะจากนั้นก็ชิ่นซากไปแล้วจบภพบหนึ่งชาติหนึ่งไปแล้วร่างกายถูกเผาไปแล้ว ยังเหลือแต่จิตใจที่ออกจากร่างไปคือตัวนามธรรมตัวผู้รู้เนี่ยตาหูจมูกลิ่งกายรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเขาเผาไปแล้วขันห้าถึงมันจะใส่น้ํำออบน้ําหอมถึงจะใส่น้ําเหล่าน้ํายาถึงจะใส่อะไรก็ตามขันห้าเนี่ยเขาเผาเผาทงแล้ว อ, อยังเหลือแต่ใจเท่านั้นน่ะที่ออกจากร่างนี้ไปจะไปสู่สถานถิน่นใดที่ใด ถ้าเราสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลกจะเข้ามาประคับประคองใจดวงนั้นไปสู่ที่ดีคติที่เหมาะสมไปเกิดในที่พึงปรารถนาแต่ถ้าหาว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราทํากรรมชั่วความชั่วนั้นก็เข้าประคับประคองใจดวงนั้นเหมือนกันพาไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ไปเรื่อยล่ะท่นี่เพหตะนั้นคนเราตายแล้วไม่สูง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 หลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแลยทั้งพวกเราติดทางโลกไม่เป็นอย่างอื่นเป็นเป็นคนโง่โมคะภิกษุโมฆะสตรีโมฆะบุรุษทั้งนั้นนะ่ะไปให้ความสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรจะให้ความสําคัญไม่ให้ความสําคัญในสิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่สําคัญคืออะไรนี่แหละ การพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริ ง, รงตามหลักธรรมคำตังสอนอันนี้ท่านให้พิจารณาให้มีสติอยู่กับตัวนี้อันนี้คือความสำคัญแต่สิ่งภายนอกทางโลกการสะแสวงหาทรัพย์อันนั้นก็เพียงเลี้ยงชีพให้ตัวเองให้เป็นไปความห่วงหาอะไรเรื่องต่างๆเรื่องโลกเรื่องวัะสงสารยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามอันนั้นแปลว่ามันเปล่าประโยชน์ผลที่สุดกว่าคว้าไปความมา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 เราจะมองเห็นว่าอันไหนควรอเราจะคิดอะไรขณะนี้เราคิดอะไรเราจะพูดอะไรเราจะทาอย่างไรงอย่างนี้ทาอย่างนี้มันถูกต้องไหมพูดอย่างนี้มันถูกต้องไหมถ้าเรามีสติเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราทุกๆุกท่านนะอันนี้ก็คือวิธีการตามแนวแถวของพระพุทธศาสนา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 เพราะนั้นเราอีกคนหนึ่งจะต้องเป็นอย่างเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมออย่าไปหลงมัวเมาจนเกินไปใ ห, ให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะนั่นก็ให้พิจารณาร่างกายสังขารตั้งแต่ผมตั้งแต่ศีรษะจนจุดฝ่าเท้าร่างกายของเรามีอะไรบ้างอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟ ไม่มีอะไรธาตุสี่เท่านั้นในร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปก็คือธาตุสีรวมกันธาตุดินก็คือของแข็งกระดูกเนี่ยคือธาตุดินธาตุน้ําก็คือพกเลือดน้ําปัสสาวะดินน้ําลมหรือลมหายใจเข้าหายใจออกมีลมในร่างกายลมในกระเพาะลมในลําไส้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 เข้ามาครองในธาตุสีนั้นถือว่ามาเป็นเจ้าของของธาตุสีนั้นอันนั้นเป็นวัดใจนามธรร ม, าามใจพระพุทธเจ้าท่นให้ความสนใจนี่แหะตัวนั้นนะตัวเข้ามายึดคลองร่างกายนั่นแนหะท่านตัวนั้นนะเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการเรื่องราวต่างๆลุ่มหลงมัวเมาเรื่องต่างๆคือตัวนั้นนะคือตัวใจคือตัวนามธรร ม, าามตัวนี้นะ มองไม่เห็นไม่มีใครเห็นหรอกแต่ว่าตัวเองรู้แก่ใจว่าตัวนี้คืออะไรเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณากำหนดลมหายใจเข้าเป็นอันดับแรกกับพิจารณาร่างกายอย่างที่ว่านั้นเพื่อจะให้ดูรู้เห็นใจตัวนมามธรรมตัวนี้แต่ถ้าว่าเราไม่เห็นลมหายใจเราไม่พิจารณาไม่เห็นร่างกายของตัวเอง เราก็จะไม่เห็นนามธรรมคือใจตรงนี้เพราะว่าใจตัวนี้ละเอียดมากต้องจับตามขั้นตอนขึ้นมาจนถึงใจเมื่อพิจารณาถึงใจแล้วทิเนี่ยใจตัวนี้เป็นเจ้าขี้เจ้าการเรื่องต่างๆที่มันรุ่มหลงมัวเมาเรื่องโลกวัฏะสงสารมันคืออยู่ในใจตัวนี้ทั้งหมดใจตัวนี้มันมีเชื้อ มันมีเครื่องปรับปรุงมันมีเครื่องลบควรมันเป็นมีเครื่องบังคับเรื่องบังคับตัวนี้คืออะไรคือกิเลสในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วแต่ว่าตกิเลสเป็นผู้ปรุงใจตรงนี้ให้คิดไปในเรื่องต่างๆไปในกระแสทางต่ำตัรงแต่กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสนี่แหละ พ, พาจิตใจของเราให้ตกต่าไปใน สิ่งที่ชั่วช้าลามกต่างๆเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาใจของเรามองดูใจของเราว่าใจนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังสิ่งไหนนี่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราให้ดูเข้ามาหาใจให้ดูเข้ามาหาตัวผู้รู้นี่หละท่านไม่ให้ดูที่อื่นน่านี ตีแรกจะท่านให้การประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรมซะก่อนให้สั่งสมบุญกุศลซะก่อนจากนั้นไยพิจารณาภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปัจฉัญยะจากนั้นไยพิจารณาถึงร่างกายของตนเองมีอะไรบ้างมีธาตุสีด่ดินน้ํามลมไฟมีอาการ32อยู่ในร่างกายแล้วใครมายึดมั่นมาถือมั่นมาคุ้มครองมาครอง ใจมาของกายตัวนี้อยู่คือใจคือนามธรรมเนี่ยนามธรรมในมองไม่เห็นนะละเอียดมากตัวนี้เอีเหมือนกับลมลมแรงแรงอย่างนั้นน่ะแต่ถ้ า, า จ, จะว่าไปลมแรงกว่าใจแต่ว่าไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองแต่รูของเราเองโอ้จุดนี้สําคัญมากพราะพระเจ้าพระหันสาวกท่านจึงเพ่งมองเข้ามาหาจุดนี้คือจุดใจเนะนี่ยนามธรรมตัวนี้เป็นเจ้าขี้เจ้าการเรื่องราวต่างๆ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 ทำคำรรชั่วต่างๆพูดความออกไปใ น, ในชั่วทำไปในทางชั่วพราะออกมาจากใจตัวนี้พราะนั้นใจตัวนี้สมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับความสนใจแลว้วบอเอาธรรมะเข้ามาจับมาดูมาดูใจของเราทุกๆท่านพราะนั้นใจทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอยู่ในจุดนี้แหละ ทางว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเราพูดธรรมะถ้าพูดแต่เรื่องนอกๆถ้าไม่ได้พูดถึงใจแปลว่าการพูดในครั้งนั้นคราวนั้นไม่ถึงไม่ถึงจุดจบถ้าเราพูดถึงใจแล้วน่ะมันเรื่องทั้งหลายออกมาจากจุดนี้ทั้งหมดออกมาจากใจเพราะฉะนั้นให้พวกเราทัางทั้งหลายนะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนมนานเออ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 ใจตัวนี้เราพาไปเกิดถ้าใจมีเชื้อก oh ิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จกต้องเป็นนักทองเที่ยวยพอมันมีทุนอยู่เออมันมีทุนใส่กระเป๋าของมันะกิเลสมันก็ไปของมันเรื่อยๆแล้วงั้นแต่แต่ถ้าตัดออขาดออกซะเออไ ม, ม่มีเชื้อไม่มีสิ่งที่จะมาพัวพันมันมีติดจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแล้ว มรรคผลนิพพานไม่ต้องถามหาที่ไหนน่ะอยู่ที่ใจตรงนั้นละ่ะใจตรงนั้นละ่ะจะเป็นผู้ไม่พาเวียนไายตายเกิดอีกใจตรงนั้น ห, หยุดอกำล้อกองเกวียนหยุดหมุน ห, หยุดนิ่งนั่นละ่ะมรรคผลนิพพานจะอยู่จุดนั้นนิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานังประมังสุนยังจะอยู่ในจิตดวงนั้นละ่ะไม่อยู่ที่อื่น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 รอคอยพวกเราอยู่เอไม่ใช่รอคอยนะพวกเราเดินเข้ามาหาไปหามรรคผลนิพพานเนีแต่จากนั้นก็ตัดโกลงลอกกรรก้อกำกเวยนออกจากจิตใจของเราไม่ใช่ตัดที่อื่นนะอยู่ที่ใจนะแอมอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจอหลุดพ้นที่ใจนะการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรขอจบแล้วก็